สุภาษิตที่พูดกันอยู่เสมอผมก็พูดบ่อยเหมือนกันที่ว่าสอนให้เขาหาปลากินเองดีกว่าเอาปลาไปแจกถ้าเราเอาปลาไปแจกก็แจกกันอยู่เรื่อยไปผลก็คือคนนั่นก็จะหาปลากินเองไม่ได้ไม่ได้สักที เพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราจรึงจะสอนให้เขาหาปลากินเองได้เมื่อเขาหาปลากินเองได้แล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเขาไม่ต้องเหนื่อยกับการหาหาของไปแจกแต่ว่าในขณะที่หาปลากินเองไม่ได้ก็ต้องไปแจกบ้างอันนี้ก็ไม่ว่าอะไรนะครับ อย่างหน้าหนาวทางภาคอีสานภาคเหนือก็หนาวมากคนก็ยากจนบางส่วนก็ยากจนไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรก็เอาไปแจกไว้ก่อนเป็นการประทะประทังกันไปนี่ก็อคณะดเดียวกันก็ต้องสอนให้คนพึ่งตนเองให้ไดออ้ให้ได้อย่างไรเขาจะพึ่งตัวเองได้โดวยบิธีใด ก็ต้องทำโดยวิธีนั้นพระสุภาษิตก็รังเขาก็มีพระเจ้าจะช่วยคนที่ช่วยตัวเองการสอนคนของพระพุทธเจ้าของเราก็เพื่อให้คนช่วยเหลือตนเองการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่ตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ว่าจะช่วยเหลือกันไปตลอดชีวิต แต่เราช่วยเหือเพื่อให้เขาช่วยตัวเองได้ในโอกาสต่อไปตัว่าทารู้ว่าเราแบกใครแล้วจะต้องแบกไปตลอดชีวิต <c oughs> ก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่เราแบกเขาเพื่อให้ไปช่วงหนึ่งเขาจะได้เดินเองหรือช่วยตัวเองได้เหมือนกับว่าเด็กที่จะทาแม่น้ำํำแล้วแกก่อตัวแกต่ตํา ตัวแก่เตี้ยเกินไปเล็กเกินไปค้ามแม่น้ำไม่ได้เราก็อุ้มไปแล้วกเ็เมื่อถึงฝั่งโน้นแล้วขอให้เดินไปเองจยางนี้เราคนช่วยก็มีกําลังใจมีกําลังใจในการที่จะช่วยแต่ถ้าเด็กคนไหนที่รู้ว่าเราจะต้องอุ้มไปตลอดชีวิตเราก็เสียกําลังใจเหมือนกันจะต้องต้องอุ้มไปตลอดชีวิต ก็ต้องเสียกำลังคือแก้วแกไม่โตไม่รู้จักโตดังนั้นเราเลี้ยงเด็กเลี้ยงคนก็โดยหวังว่าเขาจะโตจะโตเป็นผู้ใหญ่ก็เลี้ยงตัวเองได้ประชาชนพลเมืองกับรัฐบาลก็ทำานองเดียวกันเออ ด, ดูไปแล้วดูเหมือนว่าประชาชนจะช่วยรัฐบาลมากกว่า จะด้วยซ้ำไปผมพูดด้วยความมั่นใจนะครับว่าเศรษฐกิจไทยจะแก้ไขได้ถ้าเราเอาหลักพุทธธรรมไปใช้ถ้าชาวพุทธเราเอาหลักพุทธศาสนาไปใช้กันจริงๆก็จะประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นอันมาก แล้วก็มีตัวอย่างบุคคลที่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่วนตัวได้สําเร็จโดยการเอาหลักพุทธศาสนาไปใช้เป็นส่วนตัวทีนี้เมื่อส่วนตัวแก้ได้สังคมก็เป็นการรวมของคนแต่ละคนในถ้าคนแต่ละคนแก้ปัญหาเศรษฐกิจของตัวได้ สังคมก็ไม่มีปัญหาอะไรก็แก้ได้แตไม่มีปัญหาเศรษฐกิจผมพูดอยู่เสมอด้วยความมั่นใจว่าเพราะถ้าเราปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมแล้วไม่มีปัญหาเศรษฐกิจให้แก่ก็จามันไม่แก้ไม่ต้องแก้เพราะมันไม่มีปัญหาเศรษฐกิจให้แก้มัอนกับว่าเรา ไม่มีการแก้เพราะไม่มีการผูกเมื่อไม่มีการผูกก็ไม่มีการแก้ก็ไม่ต้องปรงภาระเพราะว่าไม่ได้แบกภาระเอาไว้เมื่อไม่ยิ่ก็ไม่ต้องวางําลองนั่นนะครับไม่มีปัญหาเศรษฐกิจให้แก้ ก็พูดด้วยความมั่นใจอยู่เสมอนะครับทีนี้ก็มีคนอาจจะมันไสขึ้นมาแล้วก็ย้อนถามว่าเราเป็นพุทธเราเป็นชาวพุทธกันแทบทั้งนั้นทำไมจะมีปัญหาเศรษฐกิจมากมายก็ตอบได้ว่าเราเป็นพุทธก็จริงแต่เราก็ไม่ได้เอาหลักธรรมของพุทธมาใช้ในชีวิตประจำวันว่าเราเอาแต่พิธีรีตองเราเอาแต่พิธีกรรม ไม่ได้เอาหลักของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันมันก็มีปัญหามีปัญหามันก็เขาจดชื่อยาให้ใส่เศษกระดาษชื่อยาให้ว่าไปกินยาไปซื้อยานี่ยานี่มากินแต่ก็เราหลงเข้าใจผิดเราก็เอาเศษกระดาษนั้นไปต้มกินแล้วมันจะหายโรคได้อย่างไร มันไม่ได้ตัวยามันไม่ได้ตัวยามันได้แต่ชื่อยาอดูแล้วก็น่าขำน่าขำจริงๆว่าอเราไม่ได้ตัวยาแต่มันได้แต่ชื่อยาไปต้มกิน <c oughs> ทีนี้ก็อนักศึกษาถามว่าเราต้องอช่วยตัวเองก่อนใช่ไหมแล้วจึงช่วยส่วนทวั่ว อันนี้ก็ตอบว่าถ้าแต่ละคนสามารถมีชีวิตอยู่พาสุกได้แต่ละครอบครัวเป็นครอบครัวที่พาสุกได้ไม่มีปัญหาเศรษฐกิจสังคมก็ไม่มีปัญหาสังคมเป็นการรวมของหน่วยย่อยคือคนแต่ละคนทีนี้นถ้าคนหลายๆคนขึ้นไปไม่สามารถเอาตัวรอดได้สังคมก็ ไม่รอดไปไม่รอดถ้ามีปัญหาปัญหาเศรษฐกิจมันมันมันเนื่องมาจากจิตใจมันเกี่ยวกับจิตใจบางทีบางทีมันก็มีปัญหาทางจิตใจก่อนแล้วก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจตามมาคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจะยืนยันได้ ว่าพอปัญหาทางจิตใจเขาหมดไปปัญหาเศรษฐกิจก็หมดไปด้วยสำหรับสาหรับบางคนที่ยืนยันได้ทีนี้ก็เท่าที่ผมมองเห็นจากรอบรอบตัวส่วนมากผมก็จะมองอะไรจากรอบรอบตัวไปก่อนครอบครัวที่เอาตัวไม่รอด เช่นว่าครอบครัวที่เอาตัวไม่รอดสาเหตุประการหนึ่งเขามาไม่ได้ปฏิบัติตามหลักพุทธปัิญาที่ว่าด้วยเศรษฐกิจกแต่ทีนี้ท่านต้องต้องทราบนะครับว่าครอบครัวนั่นคือคนทุกคนไม่ใช่คนเดียวแต่ถ้าคนเดียวปฏิบัติอยู่คนเดียวนอกนั้นเขาไม่ปฏิบัติมันก็ไปไม่รอดดีมัน <c oughs> ต้องเดินไปพร้อมๆกันทุกคน ถาสาเหตุประการหนึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามหลักพุทธปัิยาที่ว่าด้วยเศรษฐกิจว่าท่านสอนอย่างไรให้ใช้ทรัพย์อย่างไรให้ทําตัวอย่างไรท่านสอนทุกอย่างเลยครับวิธีใช้ทรัพย์วิธีหาทรัพย์วิธีใช้ใชจ่ายทรัพย์ทําอย่างไรอย่างไรท่านก็สอนเอาไว้หมดถ้าทําได้ได้ตามนั้นก็เรียบร้อย อันนี้เราต้องพยายามศึกษาแล้วก็นํามาปฏิบัติจริงในชีวิตจริงว่าไม่ใช่เพียงแต่รู้เฉยๆนํามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันต้นเห็นผลด้วยตนเอง <c oughs> เห็นผลด้วยตนเองเห็นผลในปัจจุบันแล้วก็เห็นผลด้วยตนเองะเป็นเซลเอวิติน เส้นเอวิเดนมีตนเป็นพยานเราตัวเป็นพายานได้ว่าเราได้ปฏิปัติได้เห็นผลมาแล้ว mm hmm. แล้วก็สามารถจะยืนยันด้วยตนเองได้ด้วยความมั่นใจตอนนี้นักศึกษาก็คุยต่อไปถึงเรื่องอื่นว่าถามว่าพุทธปัญยาที่ว่าด้วยการเดินสายกลางอ่า คำตอบก็คือว่าเดินสายกลางก็คือว่าไม่ตึงเกินและก็ไม่หย่อนเกินว่าไม่ว่าจะทําอะไรท่านสอนให้เราทำแต่พอดีความพอดีดีเสมอก็ให้เราท่องคาถาเนี่เอาไว้คาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ความพอดีนั้นดีเสมอไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปท่านลอง ลองคิดไปทุกเรื่องไลครับคิดพิดไปทุกเรื่องว่าเราจะเห็นว่าความพอดีมันจะดีเสมออกินข้าวอิ่มแต่พอดีเอะอะไรๆมันพอดีพอดีแล้วมันก็พอดีอืมแล้วก็ดีเสื้อผ้าอาปอนอะไรก็เหมือนกันไม่หลวมไม่รับให้พอดี ถ้าจะพูดอีกทีก็ก็ว่าคุณธรรมทั้งหมดก็เป็นทางสายกลางทั้งหมดทางสายกลางไม่ได้หมายเพียงมักมิยงแปลเท่านั้นแต่หมายถึงคุณธรรมทั้งหมดขอยกตัวอย่างเช่น <c oughs> เช่นว่าความพุ่งเฟยให้เป็นส่วนสุดครั้งหนึ่งอ่า ความเหนียวแน่นเบียดกรอพรนีเกินไปนี่เป็นส่วนสุดไีกขั้นหนึ่งที่นีทํามกลางระหว่างความเหนียวแน่นกับความพุ่งฟลุยก็คือความมัธยัติมัธยัติแปลว่าตั้งอยู่ท่ามกลางท่ามกลางระหว่างความพุ่งฟลุยกับความเหนียวแน่นแล้วก็ประหยัด ประหยัดนั่นคือใช้ของให้คุ้มให้คุ้มราคาไม่ไม่ใช้ครึ่งทิ้งครึ่งเรีว่าใช้ใช้จนหมดคุณภาพที่จะใช้มันใช้ต่อไปอีกไม่ได้ <c oughs> เราเรียกว่าใช้อย่างประหยัด <c oughs> กินอย่างประหยัดใช้อย่างประหยัดอยู่อย่างประหยัดแล้วความมัธยัตและประหยัดก็เป็นทางสายกลาง เรียว่าข้าวกลางระหว่างความทะนีและความพุ่งเฟืย่ยความทะนีไม่เป็นคุณธรรมความพุ่งเฟื่ยก็ไม่เป็นคุณธรรมความมัจยัดความประหยัดเป็นคุณธรรมอ น, นี่ก็เป็นทางสายกลางความขี้เกียจไม่เป็นคุณธรรมความ อขยันเกินไปขยันเกินไปจนบ้าบินือกล้าจนบ้าปินขยันเกินไปแล้วก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่ก็ตายก็ไม่ไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนก็ขยันจนไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันอได้พักผ่อนหนใจเรื่ออะไรอันนั้นก็เกินไป นี่ก็เป็นส่วนสุดอีกครั้งหนึน่งเ <Okay. S 2> ทางสายกลางระหว่างอันนี้ก็คือความเพียรแต่พอดีความเพียรก็ต้องการความพอดีปัญญาก็ต้องพอดีแต่คนบางคนก็มีปัญญาเยอะแยะคิดมากมีปัญญามากแล้วก็ไม่มีศรัทธาไม่เชื่ออะไรเสียเลย น, นี่ก็เป็นความง ม, มงายชนิดหนึ่งบางคนก็เชื่อหมดทุกอย่างใครบอกอะไรใครเล่าอะไรใครนั่นอะไรเชื่อหมดทุกอย่างก็ก็เป็นความง ม, มงายชนิดหนึ่งคุณธรรมก็จะเข้ากลางระหว่างนี่คือว่าเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ ไม่เชื่อสิ่งที่ไม่ควรเชื่ออันนี้เป็นคุณธรรมอันนี้คื อ, อทำที่ดีกลัวเกินไปก็ไม่ดีกล้าเกินไปก็ไม่ดีขี้คลาดเกินไปก็ไม่เป็นคุณธรรมความกล้าหาญ เ, เกินไปจนบ้าปินก็ไม่ดี ข้าวกลางระหว่างความขีดขราดกับความกล้าจนบ้าบิ่นนั่นเป็นคุ ณ, ณธรรมนี่คือทางสายกลาง <c oughs> ทางสายกลางนั้นาทางสายกลางนี่เอาไปใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้แทบทั้งหมดทีนี้ก็นักศึกษาก็ข อ, ขอให้แนะนำว่ า, าใช้ยปรัชญาในการดำเนินชีวิตอย่างไร อให้นำปัิญญาไปใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างไร <c oughs> กรต็ตอบว่าให้ใช้ปัญญาในการเดินทางสายกลางหรือใช้ปริญญาในการเดินทางสายกลางให้พวกเราดําเนินชีวิตโดยทางสายกลางคอยเช็คตัวเองอยู่เสมอว่าตึงเกินไปหรือเปล่าย่อนเกินไปหรือเปล่า แต่ว่าเราต้องศึกษาทำด้วยเป็นหมวดหมดเป็นข้อข้อ อ, อให้จําหลักทำไว้ได้มันเป็นหลักเช่นว่าทำอยู่ประการมากมีอะไรบ้างเช่นว่าสาติสัมเช็นยะทำที่ทําให้งามสองอย่างมีอะไรบ้างคันติความอดทนโรัเจะความสงบเสงี่ยมความสุภาพเรียบร้อย อย่างนี้เราเรียกว่าจำหัวข้อทำได้แล้วก็นำมาเช็กดูเรามีหรือไม่ละมงคลสามสิบแปดนั่นเป็นการไต่บันไดของการปฏิบัติธรรมแล้วก็พยายามสำรวจดูว่าเรามีเท่าไหร่ขาดไปเท่าไหร่ เป็นการขอบคุณผ่านขอบคนดีบูชาคนที่คนบูชาเรื่อยไปนะครับเรามีเท่าไหร่แล้วพอเกิดมีความทุกข์ขึ้นมามีความเดือดร้อนขึ้นมาเราก็เช็คได้เลยว่าเราผิดทำอะไรแต่ความทุกข์อันนี้มันเกิดได้อย่างไรเราผิดข้อไหนดูสิมันต้องมีมันต้องมีนะเหมือนกับว่าร่างกายของเรานี้โดยปกติมันต้องไม่เจ็บ ถ้าเผื่อร่างกาย <c oughs> ถ้าเผื่อว่าร่างกายปกติจะไม่เจ็บตรงนั้นตรงนี้แต่ถ้าเกิดเจ็บขึ้นมาตรงไหนแสดงว่าร่างกายผิดปกติ <c oughs> ต้องเช็คดูว่ามันมีอะไร <c oughs> <c oughs> เสียนตำหรือเปล่าแค่ออกแค่ออกเสียได้ไหม ถ้าเป็นอะไรมันมันต้องมีอมันต้องมีอะไรถ้าเกิดร่างกายเกิดเจ็บปวดมันต้องมีอะไรถ้าเกิดใจเรามีทุกมั น, สนแสดงว่าใจเริ่มมีอะไรอักเสบหรือมีเหตุบางอย่างที่ทําให้ใจเป็นทุกข์เราต้องเช็คได้แล้วก็เกียร์มันออกไปเกี่ยมันออกไปอะส ป, ปริงมันออกไปอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติ ในการนำนำปาปรัชนาพุทธปรัชามาใช้กับชีวิตประจำวันอันนี้ไม่ใช่ปัญหาทางเศรษฐกิจแต่ว่าเป็นปนัญหาที่ว่าเราจะนำมาใช้กับชีวิตประจำวันก <c oughs> ็หลักธรรมือพุทธปรัชญาที่จะเป็นประโยชน์ได้มากก็คือหลักที่เราสามารถจะนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ ไม่ใช่เรียนรู้แล้วก็แขวนอยู่ เ, เปิ้นฟา้ฟาฟ้าไปมาผ่านหรอะไรเราต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ต้องเป็นธรรมะที่ติดดินไว้อย่างนั้นเถอะท่านผู้ฟังที่เกีรยวกับเรื่องพุทธปรัชญาจะนำไปใช้กับเศรษฐกิจอย่างไรจากคำถามจากคำสัมภาษณ์และคำตอบของ นักศึกษามาหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ตึกคณะมนุษยศาสตร์มาหาวิทยาลัยรามคำแหงหลายปีมาแล้วก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เวลาก็หมดพอดีขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ประทับรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับที่ท่านสาธุชนได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรม และทัศนะชีวิตบรรยายธรรมด้วยอาจารย์วสินอินทศละเราท่อนแรกก่อนนะครับที่พระเจ้าท่าน จ, าจัดกับภิกษุทั้งหลายจัดกับภิกษุทั้งหลายก่อนจะไินิพพานไม่ใช่เฉพาะจัดกับภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความ สิ้นและความเสื่อมเป็นธรรมดาด้วยความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทไม่ไม่ได้ระบุว่าตนหรือผู้อื่นจว่ายังยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทไม่ได้พูดถึงตนหรือผู้อื่น แต่ว่าถ้าตามแนวโน้มของพุทธศาสนาหรือท่าทีของพุทธศาสนาแล้วก็ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นโดยส่วนมากท่านถ้ า, ถาทำสำนวนบาลีก็แปลคุดเข้ามาแปลคุดเข้ามาคือหมายความว่าในตัวพยัญชนะไม่มีแต่ว่าแปลใส่คำนี้เข้ามา อัปปมาเทนะสัมปอาทิถะอัปปมาเทนะสัมปอาทถะสัมปาทถะแปลว่าให้ถึงพร้อมอยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทด้วยความไม่ประมาทที่นี่คำว่าประโยชน์ตนเนี่ยท่านผู้แปลใส่เข้ามาจะใส่ว่าประโยชน์ผู้อื่นด้วยก็ได้ แต่ในพยัญชนะที่เป็นพระรพุทธพจน์เนี่ยไม่มีคำนั้นทีนี้ถ้าตามทัศนะของพุทธศาสนาแล้วประโยชน์ตนกับประโยชน์ผู้อื่นเนื่องถึงกันเมื่อทําประโยชน์ตนโดยชอบทำอยู่ก็ชื่อว่าทําประโยชน์ผู้อื่นด้วยเมื่อทําประโยชน์ผู้อื่น โดยชอบทำอยู่ก็ชื่อว่าทำประโยชน์ตนด้วยคือจะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างไม่ว่าจะทำประโยชน์ตนหรือทำประโยชน์ผู้อื่นถ้าเป็นประโยชน์ตนโดยตรงก็เป็นประโยชน์ผู้อื่นโดยอ้อมถ้าเป็นประโยชน์ผู้อื่นโดยตรงก็เป็นประโยชน์ตนโดยอ้อมไม่ไม่แยกจากกัน ท่านเปรียบว่าถ้าไฟถ้าเราให้ไฟไหม้บ้านคนอื่นมันจะลามมาไหม้บ้านเราเราันต้องคุ้มครองรักษาบ้านคนอื่นด้วยแล้วก็คุ้มครองรักษาบ้านของตนไม่ให้ไฟไหม้ถ้าบ้านของเราไฟไหม้อีกหน่อยมันจะลามไปไหม้บ้านคนอื่นเราันต้องคุ้มครองตนและคุ้มครองผู้อื่น ไปพร้อมๆกันประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นทำไปพร้อมๆกันแต่ว่ามันพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกให้ทราบแล้วตะกี้ว่ า, าไม่มีประโยชน์ตนอันใดโดยชอบทำที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและไม่มีประโยชน์ของผู้อื่นอันใดโดยชอบทำจะไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ได้ทั้งสองอย่างยิงนัดเดียวได้สองตัวยิงนัดเดียวทีนี้ท่อนหลังที่คุณหมอตามทอนหลังว่ามีพระพุทธภาษิตที่ว่าไม่ควรพาประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม่มาก เ, เห็นประโยชน์ตนแล้วรู้ประโยชน์ตนแล้วพึงนขนวถยในประโยชน์ของตนอันนี้ก็มีคนเอาไปพูดถึงเหมือนกันว่าเหมือนกับว่าสอนให้เห็นแก่ตัวแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้ท่านเฉพาะค น, น, นานตัดเฉพาะค น, น, น, านเฉพาะพระอัรฐทัตฐะเท่านั้นปรารบพระอัฏฐทัต tha แล้วก็จัดอันนี้ว่าเป็นไม่ใช่ยู่ในเวอร์ซาไม่ใช่เป็นพาร์ติคิล่าเป็นเรื่องเฉพาะเฉพาะคนการทศฐานนี้ท่านปรีตัวออกมาบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลก่อนพระพุทธเจ้าจะนิพพานเพื่อเป็นพุทธบูชา มีพระธรรมมารามอีกองหนึ่งแล้วก็ภิกษุทั้งหลายอื่นก็ร้องโวมร้องไห้ข้ามครวนจับกันเป็นกลุ่มๆร้องไห้ข้ามครวนหรือติดตามพระสัสดาด้วยความอะไรมีหนำงซ้ำนำไปฟ้องพระพุทธเจ้าด้วยว่าพระอัฏฐ ท, ะ ท, ะ ท, ะทะัตถะไม่มีอะไรในพระองค์เลยเพราะว่าไม่ได้เศร้าโศกไม่ได้จับกลุ่ม แต่ว่าปิดตัวไปอยู่แต่ผู้เดียวพระเจ้าท่านรับเรียกมาถามก็ได้ทราบความความคิดได้ทราบความคิดของพระอัจทริยะว่าท่านคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้พระเจ้าทรงอนุโมทนาบอกสาธุอนุโมทนาดีแล้วดีแล้วผู้ที่รักเราอะไรในเราควรจะทำแบบนี้ทาแบบนี้ แล้วก็จัดจังนี้ว่าไม่ก่นท่าประโยชน์กองตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นในเฉพาะเฉพาะรายเฉพาะการณีนี้เห็นด้วยกับพระอาตมะและพระธรรมราดาเห็นด้วยทีนี้โดยทั่วไปโดยลักษณะทั่วๆไปพุทธศาสนาก็สอนให้สละสุข เล็กน้อยเพื่อสุขส่วนใหญ่สอนให้เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น เ, เสมอด้วยประโยชน์ของตนหรือยิ่งกว่าประโยชน์ของตนก็ได้โดยทั่วทั่วไปวันคําสอนนี้ไม่ใช่คําสอนที่เป็นสากลจะเป็นคําสอนเฉพาะเรื่องเฉพาะกิจเฉพาะกิจถ้าเบื่อนำเอาอันนี้ไป ไม่เข้าใจที่ไปที่มาแล้วก็นําไปตีกับคําสอนที่เป็นสากลก็จะลําบากเพราะฉะนั้นต้องไม่เอาธรรมสัจจานี้ไปอตีกับสัจธรรมสัจธรรมนั่นคือคําสอนที่เป็นสากลธรรมสัจจานั่นคือคําสอนที่เป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะรายเฉพาะตัว <c oughs> เฉพาะตัว มันก็เรามีลูกสองคนน่ะถ้าคนหนึ่งมันขี้เหนียวขี้เหนียวเราต้องสอนมันเรื่องเสียสละเห็นแก่ตัวขี้เหนียวคําสอนกับลูกคนนี้ต้องสอนเรื่องความเสียสละสเสมอแต่ลูกอีกคนหนึ่งแกเสียสละเสียสละโอ้โหจนไม่มีอะไรเหลือติดเนื้อติดตัวเราต้องสอนนิกแบบบอกว่าต้องนึกถึงตัวไว้มั่งนะนึกถึงตัวไว้มั่งนะ่ะจะลําบาก ต้อง อ, อ, อย่าไปนึกถึงคนอื่นมากเกินไปนึกถึงตัวเองเาว่าถ้าไม่สอนแบบนี้แกเอาตัวไม่รอดเพราะฉะนั้นก็การสอนก็ต้องดูบุคคลว่าเขาเป็นคนเช่นไรแต่ถ้าเป็นคำสอนทั่วๆไปก็จะเป็นอีกแบบน